สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากคริตีบ้านนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดเปซู ต, ต, ตอนที่471เรื่องความลงตัวของชีวิตค ร, ริสเตียนพระคัมภีร์วันนี้ในพระธ ร, รมยอรนบทที่16ข้อที่21 22นะครับพี่น้องครับเช้านี้เป็นเช้า ว, วันเสาร์พวกเราหลายเลยท่านกำลัง พักผ่อนกำลังเข้าเฝ้าพระเจ้าผมอยากจะให้พระบรมปีข้อนี้จะสนับสนุนเราให้กำลังใจเราในการที่เราจะมีชีวิตอย่างลงตัวสมดุลโปรดฟังพรชนะของพระเจ้ายอห์นบทที่สิบหกข้อที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองเมื่อผู้หญิงจะคลอดบุตรนางก็มีแต่ความทุกข์เพราะถึงกำหนดแล้วแต่เมื่อคลอดบุตรแล้ว นางก็ไม่คิดถึงความเจ็บปวดนั่นเลยเพราะมีความชื่นชมยินดีที่คนหนึ่งเกิดมาในโลกฉันใดก็ดีขณะนี้ท่านทั้งหลายมีความทุกข์แต่เราจะมาหาท่านอีกและใจท่านจะชื่นชมยินดีเพราะไม่มีผู้ใดจะช่วงชิงความชื่นชมยินดีไปจากท่านได้เพราะนะ้นครับเราเกิดมาเป็นคนไทย เราคงจะคุ้นเคยกับคำว่าทางสายกลางดูเหมือนว่าพระเยซูสอนเราให้เราเดินทางสายกลางแต่สิ่งที่แตกต่างจากปรัชญาแนวคิดของคนไทยเรื่องทางสายกลางนี้ <c oughs> ก็คือว่าขณะที่เราเดินอยู่ในความลงตัวระหว่างพระคุณและความบริสุทธิ์เรากำลังอยู่ใน ทางสายกลางที่ว่านี่แหละครับเพราะเนื่องจากเรามีพระเจ้าในขณะที่หลักปรัชญานั้นไม่มีพระเจ้าการเดินเดินสายกลางของคนกลุ่มหนึ่งเขาจะต้องเดินด้วยตัวเองแต่การเดินในความลงตัวระหว่างความดีความบริสุทธิ์กับความรักจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพึ่งพาพระเจ้า และขอบคุณพระเจ้าครับที่เรามีพระเยซูคริสต์ผู้ทรงทาให้การลงตัวเกิดขึ้นครับผู้ทรงทำให้ความสมดุลเกิดขึ้นครับผู้ทรงทาให้ทางสายกลางนั้นเกิดขึ้นอย่างแท้จริงนั่นก็คือทางสายกลางหรือความลงตัวแห่งความชื่นชมยินดีและความทุกข์ยากลำบากผมจะขอย้าเน้นอีกครั้งนะครับคำตัดของพระเยซูในข้อ22 ฉันใดก็ดีขณะที่ท่านทั้งหลายมีความทุกข์แต่เราจะมาหาท่านอีกและใจท่านจะชื่นชมยินดีและไม่มีใครจะช่วงชิงความชื่นชมดีไปจากท่านได้พี่น้ครับผมเริ่มต้นอธิบายข้อนี้ครับควาว่าฉันใดก็ดีมีความหมายว่าฉันใดก็ฉันนั้นเราจะมีความทุกข์แต่เราจะมีความชื่นชมดีแน่นอนครับ เพราะฉะนั้นนี่เป็นการันตีได้เป็นความหวังของคริสเตียนเมื่อเรามีพระเยซูอยู่ในชีวิตของเราชีวิตของเราจะลงตัวระหว่างความชื่นชมยินดีกับความทุกข์ยากลาบากครับพี่น้องครับจึงเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องที่ยังอยู่ในภาวะของความทุกข์ยากลําบากว่าเราจะมีวันหนึ่งครับที่เราจะมีความชื่นชมยินดีได้ถ้าเราพึ่งพาในพระเยซูคริสต์ถ้าเรามีความเชื่อความศรัทธา ไว้วางใจในพระองค์ทูลขอการช่วยเหลือที่มาจากพระองค์ชั้นใดชั้นนั้นแน่นอนการันตีประเด็นที่สองที่ผมจะพูดก็คือว่าการลงตัวนี้นะครับในที่สุดจะเป็นการชื่นชมดีชื่นชมดีเป็นประกันสุดท้ายครับและการชื่นชมยินดีนี้ไม่มีใครจะแย่งเคิงไปจากเราได้นี่คือการรับประกันรับประกันความถูกต้องรับประกันความจริง รับประกันว่าจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนโดยพระเยซูคริสต์เป็นผู้รับประกันเองพระองค์ทรงตรัสว่าไม่มีใครจะช่วงชิงความชื่นชมดีไปจากท่านได้นั่นหมายความว่าขณะที่เรามีความทุกข์ยากลําบากทีน่นี้การลงตัวจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับและเราต้องพึ่งพาพระเยซูในการที่เราจะมีความชื่นชมินดีในความทุกข์ยากลําบากหรือในขณะที่เรามีความทุกข์ยากลําบากนั่นก็คือความหวังใจครับ ความหวังใจในอนาคตทำให้เราสามารถที่จะลบความเจ็บปวดได้นะครับลดความเจ็บปวดได้นะครับความหวังใจในอนาคตทำให้เราที่จะลดความขมขื่นในชีวิตของเราได้ความหวังใจในอนาคตจะทำให้เราสามารถลืมความเจ็บปวดในอดีตหรือไม่ปล่อยให้ความเจ็บปวดในอดีตนั้นมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราในภายภาคหน้าหรือในปัจจุบันนี้ได้ เพราะฉะนั้นความลงตัวอยู่ตรงนี้ครับและในขณะเดียวกันครับพี่น้องอย่าถูกหลอกเพราะว่าคนที่สอนผิดเพี้ยนนั้นมักจะหลอกว่าถ้าเราเชื่อในพระเยซูเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเราจะไม่มีความทุกข์ยากลำบากเราจะไม่มีความยากจนเราจะไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของ Hell and Well Gospel นะครับซึ่งนักศาสนศาสตร์เห็นพ้องต้องกันว่า เป็นคําสอนที่ผิดเพียนเพราะฉะนั้นมารซาตานนั้นมันหลอกเราครับไม่ให้มีชีวิตที่สมบูรณ์แล้วมันก็บอกว่าชีวิตที่สมบูรณ์คือชีวิตที่ร่ำรวยชีวิตที่มีความสุขอย่างเดียวไม่มีความทุกข์ชีวิตที่จะต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เจ็บป่วยไม่ได้นั่นคือชีวิตที่ครอบริบรู์พี่น้องอย่าปล่อยให้มารซาตานหรือนักเทศเทียมเทศโป้ปดหลอกเรา หลอกลวงเรานะครับมันซาตานนั้นเป็นขุดหลุมพรางสร้างความเชื่อที่ผิดๆมันเอาความสะดวกสบายมาล่อเรามันเอาความสุขมาล่อเราความสุขตรง น, นี้ไม่ใช่จอยนะครับจะเป็ดจะเป็นแฮปปี้แฮปปี้เป็นครั้งเป็นคราวนะครับมันเอาความมั่งมีมาล่อเราความร่ํารวยมาล่อเราทุกคนครับอยากจะมีความสะดวกสบายทุกคนอยากจะมีความแฮปปี้ทุกคนอยากจะมีความมั่งมี ว่ามีเงินมีทองพี่น้องครับที่คือหลุมพรางแต่การตกขอบอีกด้านหนึ่งซึ่งมาร์ตตานมันก็หลอกลวงพวกเคร่งศาสนามันหลอกลวงว่าการที่จะเข้าถึงศาสนาได้ต้องใช้ความทุกข์ทรมานเพื่อที่จะเข้าถึงได้ในศาสนาในความเคร่งศาสนานั้นจะต้องตัดออกซึ่งความสุข ตัดออกซึ่งความรู้สึกและจะต้องทรมานตัวเองเพื่อที่จะได้บรรลุต้องเป็นแบบพวกที่มีความสุขในความเจ็บปวดอย่างนี้ครับก็คือพวกฉุดต่งหรือตกขอบไปอีกด้านหนึ่งนั่นหมายความว่าเขาไม่ลงตัวในเรื่องของชีวิตในลูกของพระเจ้าทตเตียนั้นจะต้องมีการลงตัวครับ การลงตัวของชีวิตทิ่เสียนก็คือว่ามีทั้งสุขและทุกข์เจ็บป่วยหรือสุขสบายไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์จะเจ็บป่วยหรือสุขสบายจะมั่งมีหรือยากจนนี่นะครับคือความลงตัวพระเจ้าก็ยังเป็นพระเจ้าของเราเหมือนเดิมครับพี่น้องครับก่อนจะจบในวันนี้ผมอยากจะอ่านพระวจะนะอีกตอนหนึ่งให้พี่น้องฟังพูดถึงเรื่องของความลงตัว นะครับในพระธรรมสุภาษิตบทที่สามสิบก็ที่เจ็ดจนถึงข้อที่เก้าครับโปรดฟังพจนะของพระเจ้าสุภาษิตบทที่สามสิบข้อที่เจ็ดถึงข้อที่เก้าข้าพระองค์ขอสองสิ่งจากพระองค์ขออย่าทรงปฏิเสธที่จะให้ข้าพระองค์ก่อนข้าพระองค์ตายขอให้ความมุสาและความเท็จไกลจากข้าพระองค์ขออย่าประทานความยากจนหรือความมั่งคั่งแก่ข้าพระองค์ ขอสรงเลี้ยงข้าพระองค์ด้วยอาหารที่พอดีแก่ข้าพระองค์เกรงว่าค้าพระองค์จะอิ่มและปฏิเสธพระองค์แล้วพูดว่าพระเจ้าเป็นผู้ใดเราหรือเกรงว่าข้าพระองค์จะยากจนและขโมยและกระทำให้พระนามพระเจ้าของข้าพระองค์เป็นมนติเดีย๋ยวครับข้อสอสองสิ่งนะครับก็คือขออย่าให้ชีวิตของเขานั้นอยู่ใน การมุสาความเท็จจากพวกที่สอนผิดจากพวกมารสาตาลหรือจากที่ตนเองมนโนขึ้นมาเองหรือจากพวกที่ได้ปรับบิดเบือนพรวจนะของพระเจ้าอันนี้คือสิ่งแรกสิ่งที่สองก็คือขอความพอดีนี่คือความพอเพียงพอดีครับในชีวิตก็คือความลงตัวของชีวิตในความยากจน ในความสุขมั่งคัง่งก็คือต้องมีความลงตัวอยู่ตรงนี้และการขออาหารที่พอเพียงเพราะเหตุอะไรครับเพราะเหตุว่าถ้าหากว่าจะอิ่มจะปฏิเสธพระเจ้าและบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้ใดหรือถ้ายากจนและไปขโมยก็จะทำให้พระเจ้าเสื่อมเสียพระนามของโปร่งเป็นมนทินพี่น้องครับแม้ว่า เวลานี้เราจะยังไม่องตัวแต่ขอให้ความลงตัวนั้นเป็นความหวังและเป็นคําอธิษฐานของพวกเรานะครับที่จะลงตัวระหว่างความทุกข์ยากลาบากกับความสุขเหมือนดังที่พระเยซูตรัสนะครับว่าชั้นใดก็ดีขณะนี้ท่านทั้งหลายมีความทุกข์แต่เราจะมาหาท่านอีกและใจท่านจะชื่นชมยินดีไม่มีใครจะช่วงชิงความชื่นชมยินดีไปจากเราได้ เพราะเหตุที่ว่าพระเยซูอยู่กับเราครับพระเยซูอยู่กับเราความลงตัวที่สมบูรณ์แบบจะเกิดขึ้นนี่คือชีวิตที่ครบบริบูรณ์ครับอาเมน